เาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านี่ในยามค่ําคืนดาวที่เห็นเรียบรยับนี่มีมากมายเฉพาะที่เห็นด้วยตา น, นี่ก็เป็นหมื่นนะนะหรือว่าเป็นแสนแต่ว่าในความเป็นจริงนะมันมีมหาศาลไม่น่าเชื่ออย่างกาแล็กซี่หรือที่เรียกว่าดาราจักรเนี่ยกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะที่โลกเราอยู่เนี่ยเขาบอกมันมีดาวถึงพันล้านดวงนะ ไม่ใช่แค่ล้านนะแต่ว่าพันล้านดวงนี่เฉพาะดาราจักรเดียวนะแต่เชื่อไหมว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลลมากกว่าดาวในดาราจักรหรือกาแล็กซีเนี่ยร้อนยะเท่าเลยนะเขาประมาณว่ามีเซลล์ในร่างกายเราประมาณหนึ่งล้านล้านเซลลนะขณะที่ดาวในกาแล็กซีเนี่ยทางช้างเผือกก็ประมาณพันล้านก็แตกต่างกันประมาณร้อยเท่านะแต่ว่าที่ น่าอิศวงกว่านะั้นคือว่าแบคที ria หรือว่าจุลชีพในร่างกายเราเนี่ย<ม>ร่างกายที่ยาววานหนาคลื่เนี่ยนะ<ม>เขาว่าเนี่ยรวมกันแล้วนี่นะมีประมาณสิบล้านล้านตัวนะหรือว่าร้อยล้านล้านตัวนะหรือว่าร้อยล้านล้านเซลล์ก็ได้นะ<ม>ก็คือมากกว่าเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยสิบหรือร้อยเท่านะ อันนี้ก็ดูไม่น่าเชื่อนะว่าในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นชีวิตชนิดอื่นเนี่ยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะเป็นสิบหรือว่าเป็นร้อยเท่าของเซลล์ในร่างกายเรารวมกันแล้วเนี่ยนะจุลชีพพวกแบคทีเรียในร่างกายเราเนี่ยประมาณสิบหรือว่าร้อยล้านล้านเนี่ยก็มาชั่งน้ําหนักดูนะมันหนักกว่าสมองคนไรานะสมองคนเราประมาณหนึ่งกิโลสามขีดนะแต่ว่าเฉพาะ แบคทีเรียจุลชีพเนี่ยนะเกือบสองกิโลนะหนึ่งกิโลแปดขีดคราวนี้ว่าเฉพาะจํานวนมากมายมหาศาลของแบคทีเรียเนี่ยนะมันมีมากเป็นสิบหรือว่าเป็นร้อยร้อเป็นร้อยเท่านะของเซลล์ในร่างกายมันก็ทําให่หน่าขิ้นนะว่าร่างกายนี้เนี่ยเป็นของเราหรือว่าเป็นของแบคทีเรียกันแน่นะเราบอกว่ร่างกายนี้เป็นของเราเป็นของเรานะนะแต่ถ้าพูดในแง่จำนวนแล้ ว, ลวนี่นะ จุลชีพแบคทีเรียในร่างกายเรามัมนมีมากกว่าเซลล์ของมนุษย์เนี่ยนะเป็นสิบหรือร้อยเท่าฉะนั้นจะเราบอกจะบอกว่าเนี่ร่างกายเป็นของเราร่างกายเป็นของมนุษย์นี่บางทีนก็พูดได้ไม่เป็นปากนะเพราะว่าในแง่หนึ่งมันก็เป็นบ้านของแบคทีเรียนะเป็นอ่ามหาศาลเลยนะเราจะบอกว่าโอ้เรามันเป็นร่างกายของเราสินะเพราะว่าเราก็ดูแลร่างกายนี้นะ แต่ถ้าอ้างเหตุผลนี้เนี่ยแบคทีเรียก็อ้างได้ว่ามันก็มีสิทธินะเป็นเจ้าของบ้านนี้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ช่วยทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้ช่วยย่อยอาหารสารต่างๆเนี่ยบางอย่างเนี่ยร่างกายเราผลิตเองไม่ได้ย่อยเองไม่ได้นะมันต้องอาศัยแบคทีเรียนี่เป็นตัวผลิตมาให้ เวลาเรากินนมเนี่ยแล้วที่นมมันมีประโยชน์ได้ก็เพราะมันมีพวกแบคทีเรียพวกนี้ช่วยช่วยทําให้เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะก็จะเป็นลัคโตสแบบพวกนีนะ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าไม่มีพวกแบคทีเรียจุลชีพพวกนี้ร่างกายเราก็อยู่ยากนะเพราะว่าไอสารต่างๆที่ประโยชน์ต่อร่างกายจะทำให้ร่างกายอยู่ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอาหารที่เรากินแล้วเกิดจากการย่อยของร่างกายเราเท่านั้นแต่ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะ มันก็ทำงานมันก็ทาหน้าที่เหมือนกันที่ทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้รวมทั้งช่วยนะช่วยกําจัดเชื้อโรคบางอย่างนะถ้าไม่มีมันเราก็แย่นะเดืองนี้เนี่ยนะสมัยนี้เนี่ยอ่าจึงมีการกินพวกอ่าแบคทีเรียเข้าไปเช่นพวกเรากินยาคู่อะไรเข้าไปเนี่ยยาคู่เนี่ยก็คือแบคทีเรียนั่นแหละที่เติมเข้าไปในร่างกายที่จริงมันไม่เต้องเติมก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตตามสอดคล้องกับธรรมชาติแต่ดีนี้เรากินยากินยาปฏิชีวนะต่างๆเข้าไปในพวกนี้ยมันก็ไปทํำลายจุลชีพแบคทีเรียในกระเพาะนะหรือว่าในร่างกายของเรามันก็เลยอ่าพอมันหายไปมันก็เลยเกิดทั่วกับร่างกายเรานะเลยต้องเติมเข้าไปโอรยมันถ้าจะดูไปแล้วนี่ตอนนี้เขาเพบว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเรียกว่าประโยชน์เขาไม่ถูกนะเรียกว่าจําเป็นดีกว่านะ น่กระทั่งโรกบางโรกเนี่ยนันเพียงแค่เติมแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้กลับมาเป็นปกติได้เดี๋ยวนี้ก็มีมันก็มีการเติมในแบคทีเรียเข้าไปทางทางทวารหนนะักเพราะว่ามันอยู่ในลําไส้ใหญ่ด้วยลําไส้ใหญ่นี้ตอนนี้ไอ้แบคทีเรียพวกนี้มันหายไปเยอะนะเพราะว่าการใช้ชีวิตของเรานี่มันมันไปทําลายพวกอ่าพวกจุลชีพเหล่านี้นะต้องเติมเข้าไปทางทวาร น, นะออกเติมเข้าไปทางทวารเออ สุขภาพดีขึ้นนะที่จริงเนี่ยไอจุลชีพพวก น, นี้มันทําเบียร์กับร่างกายจะเรียกว่าล้นๆเลยก็ว่าได้นะไอ้ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะสิบหรือร้อยล้านเท่าของเซลล์เนี่ยอะสิบหรือร้อยเท่าของเซลล์เนี่ยอันนี้เราไม่เราไม่พูดถึงไอ้แบคทีเรียรที่มาจากข้างนอกที่เป็นอันตรายนะที่ทําให้เกิดโรคอันนั้นมันเป็นสิ่งแปกปลอมที่เอ่าที่เราไม่พูดถึงแต่เฉพาะสิ่งที่มันเป็นเจ้าบ้านนะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันมีประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ มนะีแต่เราต่างหากนะที่ไปทาร้ายร่างกายเรานะด้วยการกินของที่ไม่ถูกต้องนะกินพวกสารที่ต่างๆเข้าไปเพราะเพียงแค่มันถูกใจปากของเราถนะูกปากเรานะบางทีกินเลา น, นี่ก็สูบบรี่นะหรือว่าอาหารที่อาจจะไม่เป็น ป, นปนระโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่ามันมันอร่อยนะก็กินเข้าไปเพราะสีมันสวยเดี๋ยวนี้ผลไม้หลายอย่างที่สีสวย น่ากินแถมหวานเนี่ยนะเรารู้หรือเปล่าว่ามันมีสารพิษเยอะมากเรากินเพราะอร่อยเพราะอยากอร่อยนะแต่ว่ามันไปทําลายร่างกายเราสุดท้ายก็เป็นภาระของพวกจุลชีพเรานี่แหละที่ต้องมาคอยช่วยฟื้นฟูแก้ไขให้ถึงที่เราทําลงไปนะในขาที่ร่างกายนี้อยู่ได้เพราะจุลชีพนะแต่ว่าตัวเรานี่กับทํำลายร่างกายของเรานะด้วยพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตนะที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่าร่างกายนี้เป็นของเราเต็มปากได้ไหมเนี่ยมันก็พูดยากนะร่างกายนี้ก็เป็นของแบคทีเรียของจุลชีพต่างๆด้วยเหมือนกันจะบอกว่าร่างกายเป็นของเราเป็นของเรานี่มันก็ไม่ถูกนี่นี้ไม่ต้องพูดถึงสารบางอย่างนะั่นเนี่สารบางอย่างสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งนะที่มันเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเรามีเรื่องมีแรงขึ้นมามันอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์เลยนะชืวว่อไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเนี่ย มันเป็นสิ่งชืิตที่อยู่ข้างนอกนะแต่มันมาอาศัยร่างกายเราแต่ว่ามันอาศัยก็ไม่ถูกนะเพราะมันทําหน้าที่บํารุงเลี้ยงร่างกายนี้ด้วยไม่ใช่แค่คาร์บอนถูกะเพราะว่ามันทําหน้าที่เป็นตัวผลิตพลังงานให้กับเซลล์ของเราเซลล์เรานี่ถ้ามีไมโตคอนเดรียนะมันไม่มีเรื่องไม่มีแรงมันทํางานไม่ได้นะเซลล์มันทํางานต่างๆได้เนี่ยเพราะว่ามันมีพลังงานและพลังงานนี่ก็มาจากไมโตคอนเดรียซึ่งก็คือเป็นพวกจุลชีพชนิดหนึ่งนะที่มันบังเอิญเข้ามาอยู่ในร่างกายเรา ขอยู่ในเซลล์ของเราเมื่อนูนหลายล้านปีมาแล้วหลายล้านปีอาจจะสิบล้านปีแล้วก็ได้นะหรือนานกว่านั้นอีกมันเข้ามาอยู่เลยนะแล้วก็มันทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์ของเรานะในร่างกายเราเนี่ยมันมีสิ่งแปลกปลอมเยอะนะแต่มันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมอย่างที่เชื้อโรคเช่นไวรัสพวกหวัดพวกเนี้ยมันกลายเป็นเจ้าบ้านไปแล้วมันกลายเป็นหุ้นส่วนของร่างกายเราไปแล้วนะมันเป็นหุ้นส่วนเลยนะ เพราะว่ามันช่วยก่อร่างสร้างสร้างตัวเราขึ้นมาสร้างเอวยะต่างๆเราขึ้นมานะนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะหรือว่าไม่ใช่ของเราเต็มปากนะอันนี้พูดในทางวิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าพูดในทางธรรมานี่มันก็เป็นของเราเลยนะเพราะว่ามันต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกมากมายนะพึ่งพาอากาศพึ่งพาอาหารนะและอาหารอากาศพวกนี้ก็ได้มาจากสิ่งภายนอกนะถ้าไม่มีธรรมชาติไม่มีปลา นะไม่มีชาวนาชาวไร่นะไม่มีต้นไม้ไม่มีบรรยากาศไม่มีแสงแดดนะไม่มีแรงโน้มทวงแล้วก็ผู้คนอีกมากมายเนี่ยร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้นะจะไปคิดว่าโอ้ยมันเป็นร่างกายของเราเพราะว่าเรามีเงินไปซื้อของไปซื้ออาหารอันนี้มันไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่ามีเงินแต่ถ้าไม่มีอาหารมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะว่าไปเงินก็มาจากไหนนะเงินก็ไม่ได้มาจากเราล้วน มันก็มาจากสิ่งภายนอกเช่นพ่อแม่นะได้มาจากอ่าการนาธุรกิจจะไม่มีธุรกิจก็ไม่มีเงินและที่สําคัญคือว่าเราเนี่ยควบคุมร่างกายเราก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้สั่งให้ไม่หิวก็ไม่ได้สั่งให้ไม่แก่ก็ไม่ได้สั่งให้ไม่ปวดหัวไม่ปวดท้องก็ไม่ได้สั่งไม่ได้สักอย่างแต่ว่าแต่ว่าปรุงแต่งได้นะปรุงแต่งได้ถ้าปรุงแต่งก็ต้องปรุงแต่งให้ถูกหลักด้วยนะเช่นถ้าเกิดไป กินอาหารที่มันทำลายตัวรีพต่างๆในร่างกายเราเราก็ป่วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้นี่คนเราเป็นโรคแพ้โนนแพ้นี้เยอะมากเลยนะเพราะว่าการที่ไม่ยอมเอาการที่ใช้ชีวิตที่สะอาดมากไปนะใช้ชีวิตที่สะอาดมากไปใช้น้ำยาทำลายเชือ้อฆ่าเชื้อต่างๆทั่วหมดเลยนะฆ่าเชื้อตามผิวหนังฆ่าเชื้อตามโต๊เก้าอี้ฆ่าเชื้อ ตามที่ต่างๆไม่ปล่อยให้มันมีเชื้อประมาณในร่างกายเพื่อทําหน้าที่สร้างภูนคุ้มกันสร้างปูนต้านทานก็เลยปล่วยง่ายนะอันนี้ก็กลายเป็นว่ายิ่งเจริญนะเรากลระชิงทําร้ายตัวเราเองแล้วก็ไปบั่นทอนการทํางานของพวกอธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในร่างกายเราอลองคิดไปให้ดูดีๆนะในร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเลยไม่ว่าจะมองในทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเอาละเตรียมรับพร